จะได้ผลกุศลที่ทายกอุทิตให้หรือประการใดพระนาคเกษนจึงมีเทระวาจาวิสัชนาว่ามหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารบางจำพวกก็ได้บางจำพวกก็ไม่ได้สมเด็จพระเจ้ามลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าเป็นเหตุอะไรอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเกษนจึงวิสัชนาว่า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 ของนั้นก็อยู่กับเจ้าของนั่นแหละพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชะข้าถวายพระพรบพิษพระราชสมภารความประการนี้เปรียบชันใดทายกกระทาทานอุทิศผลบุญไปให้แก่ญาติของตนเมื่อญาติไม่เป็นประทัตูปชีวีเปรตแล้วผลฐานนั้นจะสูญไปหาไม่ได้ผลทานนั้นไซ